นี่ต่อไปว่าคําว่าเตสังสติมาเป็นผู้มีสติเนี่ยหมายถึงอปยะอปจัญาเนี่ยบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทปราศจากการสะสมแห่งการละหมายเขาเขาก็มีธรรมนี้นอะอาจายคามิโนธรรมมาอปัจายคาโมโนธรรมาเนวาจยคามิโนนาปัจายคาโมโนธรรมาเนี่ยที่ในในสวดมาติกาเขาบอกว่าธรรมที่เป็นการก่อและการสังสมวะตต์ ทมที่ไม่ก่อและไม่สังสมวตธะทมที่จะเรียกว่าเป็นการก่อหรือการสังสมวัตะก็ไม่ใช่ไม่สังสมก็ไม่ใช่หมายถึงตัวที่ก่อวัตะคืออะไรคือเจตนา29เป็นตัวที่ก่อเป็นตัวที่สังสมวตตะเนี่ยนะอกุศลเจตนา12มหากุศลเจตนา8มหาคตะเจตนา9านะเจตนา29เหล่านี้เป็นตัวก่อเป็นตัว สังสมวัตะส่วนอริยมรรคทั้งหลายไม่ก่อไม่สังสมวัตะแต่เป็นไปเพื่อการทําลายวัตตะพันคําว่าสติตัวนี้เนี่ยสติก็ยกมาว่าถ้าพูดมรรคแปดนะยกสติขึ้นมาอันเดียวมรรคที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะสติที่ในองค์มรรคนี้ไม่ก่อไม่สังสมวัตะเพราะสติในองค์มรรคปราศจากการก่อปราศจากการสังสมวัตตะพัน คำว่าสติตรงนี้เนี่ยนะเป็นผู้มีสติหมายถึงอปัจยะบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้ว่าเป็นการปราศจากการสั่งสมวัตตะอย่างแท้จริงว่าไม่เอาวัตตะแล้วนะก็หมายถึงการละนั่นแหละเป็นนิเคปะบัญญัติแห่งกายคตาสติกายคตาสติกับกายานุปัสนาต่างกันอย่างไรต่างกันหมไม่ต่างกันนะกายคตาสตินั่นแหละคือ กายานุปัสนากายากายานุปนัสนานั่ยแหละคือกายคตาสติเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติไม่สังสมวัตะก็คือคนที่เจริญกายานุปัสนาเพราะการเจริญกายานุปัสนานั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อเลิกก่อเลิกสังสมวัตะแล้วก็เป็นภาวนาบัญญัติแห่งมัคคสั จ, จเพราะสตินี้เป็นธรรมที่จะต้องต้องเจริญขึ้นจะต้องภาวนาจะต้องทาให้มีขึ้น คำว่าวินยยะสิกเขแปลว่าปฏิบัติเพื่อกำจัดเนี่ยนะวินัยตัวนั้นแะปลว่ากำจัดนะวินยายาก็คือวินยัยแปลว่ากำจัดสิกเเคก็คือการศึกษาศึกษาเพื่อกำจัดอันนี้เป็นปฏิเวทบัญญัติถามว่าปฏิเวทเนี่ยเป็นการกำจัดอะไรกำจัดราคะกำจัดโทสะและกำจัด โ, โมหะเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะ คำว่า ช, ชันตุแปลว่าสัตว์หรือบุคคลนี้ก็เป็นเววจนะบัญญัติของผู้ที่มีความเพียรจริงอยู่เมื่อใดที่โยคีบุคคลรู้ว่ากามทั้งหลายเป็นเครื่องติดข้องเขาย่อมยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กามทั้งหลายเกิดขึ้นย่อมพยายามทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะนะว่าผู้มีสัมม า, ามวายามะ คือสภาพจิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าเมื่อมีวัตถุเป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลอย่างถ้ามีรู ป, ปกายรู ป, ปธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าไม่เป็นกายคตาสติก็เป็นอะไรก็เป็นกรรมก็เป็นกิเลสกรรมที่เกิดขึ้นเพรา ะ, ะนั้นก็ถ้าเราปล่อยให้กิเลสกรรมเกิดกายคตาสติไม่เกิดถ้าปล่อยให้กายคตถ้าเจริญกายคตาสติ กิเลสกรมก็ไม่เกิดเพราะนั้นผู้มีความเพียรจึงเพียรอบรมให้กายคตาสติหรือกายานุปัสนาเนี่ยเกิดอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กิเลสกามนี่ได้ช่องเพื่อไม่ให้กิเลสกรารมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นวายามะบัญญัติแล้วก็เป็นนิเขปะบัญญัติแห่งความไม่พอใจในกุศลธรรมเพียงเล็กน้อยเอาไหมเจริญข้างเดียวก็พอแล้วพิจารณาข้างเดียวก็ พอแล้วมันไม่สันโดษในกุศลเนี่ยนะไม่สันโดษในกายานุปัสนาสติปทานเนี่ยนะเจริญจนกว่าจะเอ่อเจริญจนกว่าจะเพียงพอแก่การบรรลุในข้อนั้นเทศนานี้ว่าเขาย่อมพยายามทากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่อันนี้เป็นอัปมาธบัญญัติแห่งภาวนา กุศลใหม่ๆที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปั๊บก็รักษารักษาเอาไว้ต้องไม่เสื่อมสภาพลงไปแล้วก็ภาคเพียรเพิ่มขึ้นพอเพิ่มได้ก็รักษาถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรนะหารายได้ขึ้นมาใช่ไหมได้มาเท่าไหร่ก็เก็บไว้แล้วหาใหม่เพิ่มได้มาใหม่ก็เก็บมีแต่หามีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มอย่างนี้ฉันใดผู้ที่เจริญกรรมฐานเจริญกุศลธรรมเจริญวิปัสสนาก็ลักษณะนะั้นมีแต่เพิ่มปริมาณแห่งกุศลไม่มีคําว่า ลดเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นอัปปมาทบัญญัติเพราะผู้ที่ภาเพียรด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะเป็นบุคคลที่เจริญศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาศีลที่เกิดขึ้นให้ยั่งยืนแล้วเพิ่มปริมาณกุศลศีลให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปสมถะกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้เสื่อมเพิ่มพูนต่อไปอย่างเช่น ตอนแรกเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิอะไรเลยก็ภาคเพียนเจริญจนเป็นอุปจารสมาธิทีนี้พอได้อุปจารสมาธิไม่ยอมให้อุปจารสมาธิเสื่อมภาคเพียนเจริญให้เป็นอัปปนาสมาธิพอได้อัปปนาสมาธิก็ไม่ยอมให้เสื่อมเพิ่มเพิ่มเจริญให้เป็นทุทาาน ต, ติยาชานตติยชาติ จ, ต, an, จตุทชาตชาเจริญให้เป็นอรูปรชาตเป็นต้นเนี่ยนะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ<ๆ>่มขึ้นแล้วก็ตัญญาที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะเช่นภาวนามยปัญญาทิฏฐิวิสุทธิที่ยังไม่เกิดก็ทํา ทิฏฐิวิสุทธิให้เกิดเมื่อทิฏฐิวิสุทธิเกิดขึ้นแล้วก็เจริญกังขาวิตรณะวิสุทธิให้เกิดขึ้นเมื่อได้กังขาวิตรณะแล้วก็เพิ่มมีปริมาณแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะนี้แหละเรียกว่าไม่ประมาทเนี่ยนะเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเพราะผู้ไม่ประมาททั้งหลายตามรักษากุศลที่ที่ได้แล้วและหากุศลใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ถ้าเป็นแบบชาวโลกเขาบอกว่าตระกูลที่ที่ไม่เสื่อมจากโภคะคืออะไร คือตระกูลที่รู้จักดูแลข้าวของที่มีอยู่ไม่ให้เสียหายถ้าข้าวของเสียหายก็มีการบำรุงรักษาให้สภาพคงทนและหาของใหม่ๆมาเพิ่มอันนี้คือเป็นเหตุให้ตระกูลตั้งมั่นฉันใดผู้ที่เจริญกุศลธรรมก็ฉันนั้นเนี่ยนะกุศลที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไม่ให้เสื่อมแล้วหากุศลใหม่ๆเพิ่มและก็รักษาต่อไปเราไปอย่างนี้เรื่อยๆเรียกว่าไม่ประมาทเนี่ยนะอปะมาทะเนี่ยนะผู้ไม่ประมาท เป็นนิเคปะบัญญัติแห่งวิริยินทรีนะต้องเป็นคนที่มีความภาพเพียรพยายามจริงๆ จ, ง จ, งจึงจะทําได้เป็นอารักขาบัญญัติแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายนี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรักษาใช่ไหมซับภายนอกก็ต้องรักษากุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นทรัพย์ภายในก็เป็นสิ่งที่จะต้องระเวด ร, ระวังปกปักรักษาเป็นถิติบัญญัติแห่งอธิจิตตสิกขานะ ทิตินี่แปลว่าตั้งตั้งมั่นนะ น, นะก็คืออุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธินั้นต้องตั้งมั่นจิตตสิกขาเนี่ยตั้งมั่นสรุปโดยสัจจะเนี่ยนะผู้ใดเห็นทุกข์อันนี้ก็ทุกขสัจจะใช่ไมทุกขสัจมีตัณหาใดเป็นแดนเกิดก็คือสมุทยัยสัจจะบุคคลนั้นจะพึงน้อมไปในกามทั้งหลายได้อย่างไรหมายคามว่าจิตใจของเขาจะโอนไปในวัตตะได้อย่างไร เพราะรู้ว่ากามทั้งหลายเป็นเครื่องติดข้องในโลกก็เป็นเพิงเป็นผู้มีสติปฏิบัติเพื่อกำจัดกามทั้งหลายในคาถาเนี่ยนะตรงๆแล้วประกาศสัจจะสาข้อผู้ใดเห็นทุกข์อันนี้คือทุกขสัจจะมีตัณหาเป็นแดนเกิดคือสมุทัยสัจจะวิปั ons, ปสนาญาณวิปัสสนาก็คือน้อมไปในกามได้อย่างไร ตรงกันข้ามคือไม่น้อมไปในกามันนั้นเป็นวิปัสนาวิปัสนาก็เป็นเบื้องต้นของมัคคสัจจะพึงเป็นผู้มีสติปฏิบัติเพื่อกำจัดกามอันนั้นเป็นมัคคสัจจะทีนี้การที่จะกำจัดกามได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นพระนิพพานเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะตัดอะไรในกิเลสกามได้อย่าคิดนะว่าจะตัดอะไรในวัตถุกามได้ เราะจะต้องมีมีความสุขอย่างอื่นมาชดเชยเพราะการทั้งหลายพระองค์ก็บอกว่าสุขโสมนัสอันใดที่อาศัยวัตถุการ์มเกิดขึ้นอันนั้นเป็นอัสาธาของกามใช่ไหมนั่นคือความสุขความน่ายินดีความน่าเพลิดเพลินของวัตถุการ์มและกิเลสการ์มทั้งหลายทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้วัตถุการมเหล่านี้ให้ให้ให้ความสุขให้สุขโสมนัสได้ถ้าจะละสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องหาสุขโสมนัสอย่างอื่นมาชดเชย สุกโสมนัตที่สามารถเป็นเหตุให้กําจัดชั้นธราคะในกามได้นั้นจะต้องเป็นสุขที่สุขที่เกิดจากเนคขมมะสุขที่เกิดจากการตรัสรู้สุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อได้สุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจึงสามารถถ่ายถอนตัดฉั้นธราคะในสิ่งเหล่านี้ได้ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะถ้าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยยังไงก็ตัดไม่ได้จริงๆห ร, รอก อย่างมากก็เด็ดยอดใช่ๆไอเด็ดยอดนี่ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเด็ดยอดเนี่ยนะเคยเคยเด็ดยอดต้นไม้ไหมข้อดีคือมันก็ไม่งอกเร็วเกินไปข้อเสียคือแตกพุ่มใหญ่กว่าเดิมนั้นการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ถ้าไม่ภาคเพียนพยายามจริงๆก็ดูท่าจะพุ่มใหญ่กว่าเก่าอีกอย่างที่พระบางรูปเขาบอกว่าเออเนี่ยนะ ไม่ใช่พระโยมเนี่ยโยมเขาว่าพระเขาว่าพระลูกชายเขมีพระลูกชา ย, ยรูปหนึ่งมาบวชเสร็จแล้วก็พระลูกชายเนี่ยโอ๊ยวัน ว, น, วนหนึ่งก่อสร้างถือแบกปูนอยู่นั่นแหละดำผีอยู่แล้วนะแล้วก็ก่อสร้างนนั้นไม่เลิกไม่ลาแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยลูกก็สระบ้านสละเรือนมาแล้วนี่ก็ยังมาก่อสร้างเอาขนาดนี้เลยเหรอลูก มาทําขนาดนี้เลยหรือลูกแบบสละอีกอย่างหนึ่งแล้วมาทํามากกว่าเดิมอีกนะเนี่ยประาณั้นนะพระนี่น้อยเลยนะเจอแม่ตามมาให้โอววาสถึงตอนบวชนะนี่ก็เหมือนกันนะนะอุตส่าสละบ้านสละเรือนแล้วมามาสร้างหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยนะมาสแสวงหาหนักกว่าเก่าอีกก็แสดงว่าทําเป็นเด็ดยอดใช่ไหมเสร็จแล้วก็พุ่มใหญ่กว่าเดิมอีกนต่อย่างงี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะ นี่มาดูอีกคาถาหนึ่งในหน้า79บอกว่าสัตว์โลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกแม้ไม่ควรไม่สวยงามย่อมปรากฏเหมือนควรเหมือนสวยงามคนพาลมีอุปธิเป็นเครื่องผูกความมืดคือโมหะแวดล้อมย่อมปรากฏเหมือนไม่มีสิริกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บัณฑิตผู้เห็นด้วยปัญญาจักสุอันนี้ปกติของสัตว์โลกใช่ไหมมีโมหะเป็นเครื่องผูก นะมีอวิชชาเนี่ยเป็นเป็นสังโยชน์อ่ะนะสังอวิชชาสังโยชน์เนี่ยผูกพันเอาไว้ให้อ่ะนะเมื่อถูกผูกไว้อย่างเนี้ยของที่ไม่ควรเห็นเป็นของควรหมดเลยของที่ไม่ดีเห็นกลายเห็นเป็นของดีของที่เลวร้ายกลายเป็นว่าทรัพย์สินอย่างเงี้ยนะเห็นของที่ของที่เลวร้ายกลายเป็นของมีค่าไปได้เพราะอํานาจของโมหะคนทานนี้มีอุปธิเป็นเครื่องผูกคือมีกิเลสมีกรรมอ่ะนะ อภิสังขารคือกรรมอ่ะนะมีกรรมมีกิเลสเป็นเครื่องผูกเอาไว้อุปธิคือกรรมและกิเลสเนี่ยถูกความมืดคือโมหะเนี่ยแวดล้อมปรากฏเหมือนไม่มีสิริจริงอ่ะไม่ใช่เหมือนเรไม่มีสิริจริงๆเลยแหละสิรินี่บางแห่งแปลว่าความเป็นใหญ่ดังนั้นถูกอวิชชาครอบงําไปหมดแล้วก็ไม่มีอํานาจอะไรแล้วใช่มีแต่ความมืดความบอดคาถาทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นวัตตะ ส่วนสุดท้ายบอกกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บัณฑิตผู้เห็นด้วยปัญญาจากสุอันนี้เป็นวิวัตกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีอันนี้เป็นนิโรสัจจะนี่นะที่จะดับกิเลสได้ปัญญาจากสุเป็นมัคสัจจะมันคาถานี้ก็เป็นการประกาศอริยสัจของพระพุทธเจ้าอธิบายตามลำดับบทว่าคาว่าโมหะสามพันธนโลโกโสัตโลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกเนี่ยนะ อันนี้เป็นเทสนาบัญญัติแห่งวิปลาสปกติหมูสัตว์ทั้งหลายผู้วิปลาสวิปลาสแปลเป็นภาษาบาลีแปลบาลีว่าวิปริตวิป ร, ริตนี่คืออะไรคือตรงกันข้ามหมดเลยเช่นเห็นเชือกเป็นงูอย่างเงี้ยนะหรือเห็นงูเป็นเชือกอันนี้ก็แปลว่าวิปลาสใช่ไหมฉันใดก็ดีหมูสัตว์ผู้วิปลาสวิปลาสทั้งหมดเนี่ยเกิดจากโมหะเป็นประธานนะ โมหะนี้เป็นประธานทําให้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาเนี่ยก็เพราะความเขานั่นแหละเพราะโมหะเพราะปกปิดไม่เห็นสัจจะไม่รู้ความจริงก็เลยสําคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสําคัญในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสําคัญในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าอัตตาตัวเองนี่มีอํานาจเนี่ยนะนึกว่ามีอํานาจ อันนี้เป็นความวิปลาดเป็นเทศนาที่ให้รู้ว่านี่มันเป็นความโง่ความเขลาอย่างแท้จริงนะนะคำว่าพัพพระรู ป, ปวะทิสติย่อมปรากฏเหมือนควรอันนี้เป็นวิปริตะบัญญัติแห่งสัตว์โลกแปลง่ายๆว่าเป็นความวิปริตของหมูสัตว์มันวิปริตขนาดนั้นทั้งๆที่มันไม่จริงแต่สำคัญว่ามันเป็นจริงเนี่ยนะมันไม่ดีแต่สาคัญว่าเป็นของดีเนี่ยนะ สำคัญไปอย่างนั้นได้ยังไงไม่รู้แล้วก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นความวิปริตของสัตว์โลกเนี่ยนะเพลิดเพลินในกองทุกเนี่ยนะเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วไปเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยนะพูดอย่างนี้บอกว่าโอโ้โหเป็นความวิปริตของสัตว์โลกไม่ฟังแล้วสงสารตัวเองเลยนะเราเพี้ยมขนาดนี้เลยหรือบ้าขนาดนี้เลยหรือเนี่ยนะ บ้าจนไม่รู้ตัวว่าบ้านี้แสดงว่าบ้านหนักมากนะดีว่ามีคนที่หายบ้าบอกคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำเอาไว้ว่าไอความสําคัญว่าเที่ยงเนี่ยเป็นความบ้าชนิดหนึ่งนะเป็นความวิปริตซึ่งมันไม่จริงความสําคัญว่าเป็นสุขนี่ก็เป็นความเพี้ยนความบ้าชนิดหนึ่งมันสุขจริงหรือหรือคิดว่ามันสุขเฉยๆคาดคะเนว่าเป็นสุขห ล, ลายๆเรื่องนะเราคิดว่าเออถ้าทําอันนั้นสําเร็จนี่คงจะสบายใช่ไหมสบายจริงไหม อันนั้เท่าที่ถ้าถ้าเก็บข้อมูลมาจริงๆดูเหมือนดีมาตลอดเลยแต่จริงๆมันไม่ไม่ดีจริงๆเนี่ยตั้งแต่มีขันห้าโยว่ามันดีหรือมันไม่ดีกันแน่นนดูแลเท่าไหร่แล้วใช่ไหมดูเหมือนดีอันนะแต่เอาจริงๆเข้าเดี๋ยวพอเป็นหวัดมรณะเข้าแล้วจะรู้ว่ามันไม่ดีจริงๆเลยแหละเชื่อเหรอวิปริตโอ้ยกลัวกันมากเลยตอนเนี้ยนะไม่เป็นอย่างตายเลยโยมเอ้ อุปธิพนธนโนภาโลคนพานนีิมีอุปทิเป็นเครื่องถูกอุปธินี้เป็นชื่อของปะพวะบัญญัติแห่งการอย่างลงสู่ความต้องการอันต่ํารามอันนี้ก็เป็นชื่อของกิเลสเนี่ยนะว่าคนพานเนี่ยนะถูกกิเลสถูกตันหาวิชามันครอบงำพวกผูกพันเนี่ยนะที่เป็นต้นเหตุแห่งแห่งทุกข์ ซึ่งคนพาเนี่ยมีอุปธิคือกิเลสเนี่ยทั้งผูกทั้งพันทั้งร้อยทั้งรัดดักดักหน้าดักหลังเนีนั่นแหละนะก็ว่าถ้าตันหาเนี่ยนะมันเท่ากับเม็ดทรายเนี่ยเวลาลืมตาดูนะน้ำท่วมมันท่วมท่วมท่วมกรุงเทพเลยทันทีนะถ้าสมมติถ้าตันหาหนึ่งดวงที่เกิดร่วมกับจิตหนึ่งจิตแล้วมันใหญ่เท่าเม็ดทรายนะชั่วลืมตาอยู่ไม่กี่นาทีเนี่ยนะทรายนี่ท่วมกรุงเทพทันทีเลยมันทะลักออกมาเท่านั้นอ่ะตันหาแล้วมันทะลักทุกทวารด้วยนี่สิ มันก็เลยเรียกว่าโอค่ะมันท่วมทับนะถ้ามันเท่ากับสมมติตันหาเกิดหนึ่งเท่ากับห ย, ยดน้ําเล็กๆเนี่ยนะน้ำเนี่ยท่วมโลกทัทนทีเลยในคนเดียวนะสร้างทําให้น้ําท่วมโลกได้ภายในไม่นานสักเท่าไหร่เพราะตันหานี่มันเป็นสิ่งที่ไหลออกมาโดยที่ไม่ไม่หยุดหยอๆๆ่อนเนี่ยนะเพราะใครที่ตันหาเริ่มลดลงไปโทสะเกิดแทนนี่รู้สึกว่าชีวิตนี่ง่อยเงาแล้วใช่ไหมชีวิตไรรสชาติขึ้นมาแล้วเพราะอะไรเพราะตันหามันไม่ค่อยเกิด อันนี้พูดถึงคนทั่วไปที่ที่ไม่มีข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดตัณหาแต่คนที่มีข้อปฏิบัติที่กาจัดตัณหาเนี่ยนะถ้าตัณหาลดเท่าไหร่ก็มีความสุขขึ้นเท่านั้นรู้ว่าอะไรนะน้ำไม่ท่วมแล้วนะน้ำมันลดลงแล้วดีใจต่อไปว่าที่บอกว่าคนพานมีอุปธิเป็นเครื่องผูกเนี่ยนะเป็นกิจจบัญญัติแห่งปริยุทธานกิเลส นะปริยุทธฐานกิเลสก็คือกิเลสที่กลุ่มรุมท่วมทับเป็นพลวะบัญญัติแห่งกิเลสทั้งหลายนะเป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังมากเนี่ยนะกิเลสนี่มีกําลังจริงๆถึงขนาดว่าผูกพันจนคนพา น, นี้ออกจากวัฏฏทุกข์ไม่ได้ผูกไว้จนคนพาเ น, นี่ยนะต้องไปสู่อาบายทุกคติวินิบาศเนี่ยนะผูกมันผูกผูกแน่นจริงๆจนจนทำอะไรไม่ได้เลยนะกระดิกไม่ได้เลย เป็นวิรูหนาบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทการถึงแห่งสังขารทั้งหลายก็ได้อุปาทานขันห้ามาบริหารกันคนละคนล ะ, คนละกี่กิโลดีนะก็ได้ขันห้ามาบริหารคนละรูปขันคนละห้าหกสิเจปดิกิโลก็แบกไปเทอะเนี่ยนะคำว่าตัมสาปริวาริโตถูกความมืดคือโมหะแวดล้อม โมหะนี่มันแวดล้อมล้อมถึงขนาดว่าลืมตาก็ไม่เห็นอริยสัจได้ยินเสียงก็ไม่รู้อริยสัจทุกทวารเลยนะลืมทวารไหนก็ไม่รู้อริยสัจนึกถึงเรื่องอะไรก็ไม่เห็นอริยสัจอยู่ตามนั้นหมดเลยอะ่ะนี่แหละเรียกว่าถูกความมืดคือโมหะแวดล้อมเนี่ยนะตั้งคำถามนะถ้าไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะแทบไม่นึกถึงอริยสัจเลย มันโมหะมันกลุ่มรุมขนาดนั้นนะนะคิดถึงประเทศใดก็ทั้งแม้กระทั่งคิดถึงประเทศที่เคารบกันตูมตามคนตายเยอะแยะไปหมดเลยเราคิดถึงอริยศาสตร์บ้างเลยไปงานศพเออจะไปงานศพเนี่ยนะเออนี่ก็เป็นทุกขสัจะนะร้อยไปอย่างนี้บ้างไหมแต่ก็ใครที่ฟังทำมาชักเริ่มร้อยบ้างแล้วแต่ว่าปกติเนี่ยเออตายก็ตายสิก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปเยี่ยมไปคารวะศพอะไรก็ว่ากันไปนะ แต่ไม่ค่อยเลยไปหาอริยสัจแม้กระทั่งว่าเออเนี่ยเด็กคนนั้นคลอดแล้วก็ชาติทุกชราพยาทีมรณะโศกปริเทวะก็ไม่ค่อยคิดเลยต่อนะก็เกิดก็เกิดสินะโอคนนั้นแก่แล้วนะเอาแก่ก็แกสิก็ <laughs> <ๆ> <laughs> อยู่เท่านั้นไม่ค่อยร้อยไปหาอริยสัจให้มันเห็นภาพรวมทั้งหมดเขาจึงเรียกว่าโมหะเนี่ยมันแวดล้อมล้อมไปทุกเรื่องล้อมไปทุกทวารล้อมไปทุกอารมณ์มันปิดจนไม่รู้จักความจริงที่บอกว่า เป็นวิประลาดของสัตว์เป็นวิปริตของสัตว์เนี่ยนะแล้วก็เป็นเววจนะบัญญัติของอวิชาว่าอวิชานี่มันเป็นเป็นเป็นเหมือนกําแพงที่แวดล้อมแต่แต่ที่คาถาก่อนที่บอกว่าอวิชาเหมือนกับเปลาะไข่เลยนะเหมือนกับเปลือกไข่คือทุกคนเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเปลือกนะอยู่ในเปลือกเลยที่ห่อห่อเหมือนอะไรห่อเหมือนเหมือนไข่นั่นแหละถูกห่อเหมือนอยู่ในกระป๋ะไข่ แต่ขนานั้นก็ยังเข้าใจว่าตัวเองสายตากว้างไกลใช่มั้งทั้งที่อยู่ในกระเป๋ะอย่างนั้นนะก็ยังนึกโอ้ยเรานี่ไม่ธรรมดาสายตายาวเหลือเกินกว้างไกลรู้ไปหมดเลยรู้เฉพาะในกระเป๋ะที่มันห่อไว้แค่นั้นนะ่ะือรู้แล้วไม่พ้นทุกันะจะรู้ว่าเรียกว่ารู้ดีได้ยังไงใช่ไหมยิ่งรู้มากยิ่งเครียดเนี่ย น, นะก็บอกบางคนบอกเขาทุกทุกวันเนี่ยเพราะเขารู้มากไปก็าบอ ง, งั้นรู้มากหรือโง่มากก็ไม่รู้ นี่ต่อไปนะว่าคำว่าอัศิรวิยาขายติย่อมปรากฏเหมือนไม่มีสิริอันนี้เป็นทัศนบัญญัติแห่งที่ปจักษุกเป็นนิเคปะบัญญัติแห่งปัญญาเนี่ยนะอันนี้หมายถึงว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขารู้เลยว่าหมูสัตว์ผู้มากไปด้วยอวิชชาเนี่ยนะไม่มีอำนาจอะไรเลยเหมือนกับว่าคนที่ไปเห็นหมูสัตว์ที่ที่อยู่ใน เคยเห็นสัตว์ที่ถูกกักขังเอาไว้ในบ่อในเหวในหลุมในอง่งในตุ่มในทรายในอะไรไหมก็ลักษณะนั้นอนะ่ะหมูสัตว์ที่อยู่ในที่คุ้มขังเนี่ยมันมีอํานาจอะไรไหมไม่มีอํานาจผู้ที่มีปัญญาเลยจะรู้เลยว่าเขาไม่มีอํานาจอะไรเลยเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยนะเพราะเขาถูกกักขังไว้ตลอดถูกผูกถู ก, ถกมัดเนี่ยนะเหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในในคอกเหมือนกับไก่ที่อยู่ในเออนะไอ เวลาเขาเขาเอาจะเอาไปเอาไปโรงฆ่าสัตว์เขาใส่อะไรนะข้างในใส่คล้ายๆตะกร้านะใส่แข่งอ่ะไม่รู้จะออกไปยังไงใช่ไหยเหมือนเคยไปตลาดเห็นปลาในกระลำมังไหอคล้ายๆแบบนั้นนะนะพวกเราจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นนะแต่กระลำมังมันโตหน่อยแค่นั้นนไงเดินไปโนนมานี้ได้นะกระลำมังมันโตหน่อยแต่ว่าสรุปว่าออกไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คืออย่าเป็นนี้เลยเพราะเขาอยู่ในคุกกันนั่นแหละ ถูกคุกคือวัา ต, ตะแวดล้อมอาไว้เนี่ยนะถูกขังเอาไว้ในวัตตะไม่รู้ถูกประหารวันไหนก็ไม่รู้หายใจเข้ายังจะถูกประหารเลยนะคำว่าปัสตโตนัติกินจนังเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บัณฑิตผู้เห็นด้วยปัญญาจักสุคือคนที่มีตาปัญญาเห็นอริยสัจจริงๆเนี่ยนะ จะไม่มีเครื่องกังวลเลยถ้าได้ปฏิเวทปฏิเวทคือตรัสรู้อริยสัจนะเช่นปริญญาปฏิเวทาภาวนาปหานาปฏิเวทสัจจิกาปฏิเวท่าเป็นต้นถ้าเห็นจริงในอริยสัจแล้วเนี่ยนะจะตัดเครื่องกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปงวงเพราะอริยสัจนี่ดีจริงๆนะถ้าเห็นเนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ยตัดเครื่องกังวลได้ทุกชนิดโซ่คือโซ่คืออรนะิยสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตปรามาสเนี่ยนะ ตัดทันทีพร้อมกับเห็นอริยสัจพร้อมกับเห็นอริยสัจโซ่เหล่านั้นหลุดกระจายทันทีเลยกิเลสเครื่องกังวลคือราคากิเลสเครื่องกังวลคือโทสะกิเลสเครื่องกังวลคือโมหะย่อมไม่มีแก่บัณฑิตผู้มีปัญญาจากสุโดยเฉพาะอารหัตตมรคปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยนะตัดเครื่องกังวลได้เด็ดขาดโดยประการทั้งปวงถ้าอารหัตตมรคเกิดขึ้นทีนี้คาถาต่อไปเนี่ย พุทธพจน์ต่อไปเลยนะถ้าไม่เห็นนิพพานเนี่ยอยากคิดนะว่าจะกาจัดราคะโทสะโมหะได้อยากคิดนะว่าจะออกจากสังขารธรรมทั้งปวงได้นั้นพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนิพพานที่ไม่ปรากฏคือไม่เกิดนนิพพานเนี่ยนะอาชาตังคือไม่เกิดอภูตังอะไม่ได้มีแบบเห็นเห็นแบบนี้นะไม่ถูกปัจจัยกระทําขึ้นอากตัง แล้วพระนิพานนี่เป็นอสังขตังสภาวะของนิพานเนี่ยอชาตังอภูตังอกตังและอสังขตังอชาตังนี่แปลว่าไม่เกิดอภูตังเนี่ยไม่ได้มีแบบรูปเสียงเลิ่นรสไม่ได้มีแบบขันธ์ห้าอากตังเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสร้างขึ้นได้อสังขตังไม่ใช่ถูกปัจจัยตกแต่งขึ้นสภาวะแห่งนิพพานนี่มีอยู่ ภิกษุทั้งหลายถ้าว่านิพพานที่เป็นอาชาตังอภูตังอากตังอสังคตังไม่มีอยู่ไซสมสมุติถสภาวะแห่งพระนิพพานไม่มีอยู่สภาวะที่พ้นออกไปจากสังขตะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ถูกปัจจัยกระทําในโลกนี้ก็ไม่พึงมีไม่พึงปรากฏหมายความว่าถ้าไม่มีสภาวะแห่งนิพพานออกจากนรกจริงๆไม่ได้ ถ้าไม่มีนิพพานออกจากเปรตเดรัจฉานหรือออกจากทุกที่เป็นทุกความทุกทั้งมวลนี้ออกไม่ได้ภิกูุทั้งหลายเพราะนิพพานที่เป็นอชาตังอภูตังอกตังอสังฆตังมีอยู่ฉะนั้นสภาวะที่พ้นไปจากสังฆตะธรรมคือวัตะในภูมิสามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยจึงมี คิดง่ายๆนะแต่ถ้าหากว่านิพพานไม่มีอยู่นะการออกจากวัฏทุกข์ออกไม่ได้แต่เนื่องจากนิพพานมีอยู่การออกจากวัฏทุกข์จึงจึงมีได้นะเพราะบางคนเนี่ยนะที่ศึกษาพระธรรมโดยที่เข้าใจพลาดเนี่ยบางทีเนิพพานจะไปดีอะไรก็มันไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะใช่ไหมก็โลกนี้มีอยู่สองคือสังฆะกับอสังฆะ เรียนไปเรียนมาไม่รู้บรรลุไปทําไมนิพานไม่เห็นสนุกเลยเข า, างั้นใจก็เลยไม่คิดจะน้อมไปเพื่อพระนิพานมั น, นพระนิพานคืออสังขตะธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ดับสังขตะพันธ์อสังขตะนิพานคืออสังขตะธรรมถ้าแปลตามอัฏฐะที่สมบูรณ์จริงๆต้องแปลว่าธรรมที่ดับสังขตะอสังขตะธรรมนะธรรมที่สงบระงับดับสังขตะถ้าไม่มีนิพานดับสังขตะไม่ได้ ถ้าไม่มีนิพพานดับชาติชรา ม, มรณะไม่ได้แต่เนื่องจากธรรมชาติพระนิพพานมีอยู่พระนิพพานจึงดับชาติชรา ม, มรณะแต่คนพานทั้งหลายก็คิดว่าขอไปเกิดที่นิพพานขัดกันไหมนิพพานแปลว่าทำที่ดับความเกิดบอกขอไปเกิดที่ขอไปเกิดที่นิพพานนันะ ไ, ไม่รู้มันเป็นไปได้ไงไม่ทราบ ปรารถนาเกิดที่ไหนเกิดที่นิพพานวังนั้นขออยู่ที่นิพพานมีใครไปอยู่ที่นิพพานเขาเข้าใจผิดนะเพราะว่าพระนิพพานคือธรรมชาติที่ดับชาติชารามรณะคิดง่ายๆว่านิพพานคือธรรมชาติที่สงบระงับดับกองทุกข์บทของเขาคืออะไรนะชารามรณะเหตุให้เกิดชารามรณะความดับชาราและมรณะ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะพันนิพพานคือธรรมที่ดับชราและมรณะนิพพานคือธรรมชาติที่ดับการเกิดนิพพานคือดับกรรมธรรมชาติที่ดับอุปาทานธรรมชาติที่ดับตัณหาธรรมชาติที่ดับเวทนาธรรมชาติที่ดับผัสสะธรรมชาติที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าผัสสะยตนะเหตุเกิดผัสสะยตนะความดับผัสสะยตนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ ภาษายตนาเพราะฉะนั้นพระ น, นิพานนั้นเป็นชื่อของอสังคตะธรรมที่ดับสังคตะธรรมถ้าพระ น, นิพานที่ดับอสังคตะธรรมไม่มีอยู่การออกจากสังคตะธรรมมีไม่ได้เนี่ยนะมีไม่ได้อธิบายว่าคําว่าภิกษุทั้งหลายถ้าว่านิพานนิพานที่เป็นอาชาตังอภูตังอกตังอสังคตังเนี่ยนะจะไม่มีไซ อันนี้เป็นเทศนาบัญญัติเป็นเววัจนะแห่งพระนิพานนพานนิพพานเนี่ยนะเราจะเรียกว่าอชาตังก็ได้คือไม่นิพพานเนี่ยไม่เกิดไม่ใช่แบบไม่เหมือนขันห้านะขันห้ามีความเกิดใช่ไหมขันห้านี่มีความเกิดพระนิพพานนี่อัชาตังไม่เกิดแบบขันห้าขันห้านี่ยภูตังเป็นสิ่งที่มีอยู่มีอยู่แบบให้เห็นกันเนี่ยนะพระนิพพานนี่อภูตังไม่ได้มีแบบนี้อนะ ขันห้าเนี่ยกระตังคือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้น น, น, นะนะอย่างที่เราเห็นเห็นได้ยินทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยแต่นิพานไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแบบนี้แล้วก็ขันห้าเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นพระนิพานไม่ได้ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถ้าหากว่า น, นิพานไม่มีอยู่การออกจากสังฆตะธรรมทั้งปวงก็มีไม่ได้ น, นะ อันนี้เป็นเวทจนะบัญญัติเป็นอุปนยะอุปญอุปนย ะ, นะบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประการการนําเข้าไปแห่งสังคตะธรรมนะคื อ, ค, อคือนำเข้าไปแห่งสังคตะธรรมคือเป็นการนําเข้าไปเปรียบนะเปรียบเทียบถึงสองฝั่งคําว่าพิสูจนทั้งหลายเพราะนิพพานที่ไม่ปรากฏเกิดขึ้นไม่ถูกปัจจัยกระทําไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่อันนี้เป็นเวทจนะบัญญัติเป็นโชตนาบัญญัติ แห่งพระนิพพานโชตนาบัญญัตนินี่บัญญัติที่ส่งให้รู้ว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แบบนี้นะมีอยู่แบบไม่ได้ไม่มีชาติไม่มีแบบขันหา้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้นนิพพานไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นนะแล้วก็นิพพานไม่ใช่สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้ให้เติบโตมีขึ้นเนื่องจาก สภาวะที่พ้นออกจากสังคตาธรรมเนี่ยนะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ถูกปัจจัยกระทํำจึงมีปรากฏอันนี้เป็นเววัจนะบัญญัติแห่งนิพพานเป็นนิยานิกะบัญญัติแห่งมกขสัจจะเป็นนิสรณบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทที่พ้นออกไปจากสังสารวัตรของนิโรสัจจะนิพพานเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะอัฏฐะของนิโรสัจจะนี่คืออะไร ทุกขสัตว์นะปีลณะนะสันตาปะสังคตะวิปรินามะสมุทัยศัสต์คืออายุหณนะนิธานะปริโพทะสังโยคะนิโรสัจจะนิหนึ่งนิสรณนะสองอสังคตะสามอมะตะอีกอันหนึ่งคืออะไรหายไปคำหนึ่งใครนึกออกบ้างะนะนี่พานี่คือนิสรณะนะธรรมที่สลัดออกจาก กองทุกนิพานนี่เป็นอสังขตะนะนะเป็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกปัจจัยกรุงแต่งขึ้นนิพานนั้นเป็นอมะตะคือธรรมชาติที่ไม่ตายส่วน ว, ว, วิเวกะนะสงัดนะหนึ่งสงัดจากสังขารธรรมทั้งปวงส่วนมรรคศาสตร์นี่เป็นนิยานิกะนิยานิกะคือนิยานิกะคือเหมือนกับเหมือนกับยานนะยานที่นำออกจากกองทุกข อริยมรรคนั้นเป็นเหตุเหตุที่ทําให้ถึงพระ น, นิพพานถ้าไม่มีอริยมรรคเนี่ยบรรลุนิพพานไม่ได้อริยมรรคนั้นเป็นทัศนะคือธรรมชาติที่เห็นคือเป็นเรื่องของผู้ที่เขารู้เขาเห็นแต่เห็นอะไรเห็นนิพพานอริยมรรคนั้นเป็นอธิปไตยเพราะสมบูรณ์ด้วยโพธิปัจจยธรรมสมบูรณ์ด้วยกุศลธรรมเป็นอเนกที่เป็นเครื่องนําออกจาก นิพพานมีอยู่แต่ผู้ที่ปรารถนา น, านิพพานต้องทำยังไงต้องเจริญอริยมรรคใช่ไหมคือคือถ้ามองธรรมะเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นสังขตะอย่างหนึ่งทำที่ดับสังขตะอย่างหนึ่งสังขตะกับทำที่ดับสังขตะถ้าจะดับสังขตะได้ต้องมีข้อปฏิบัติเพื่อดับสังขตะเนี่ยนะ เหมือนอย่างว่าถ้าถ้าเปรียบทุกข ศ, าศาัพท์จะเหมือนโรคโรคที่กลุ่มรุมรุมเร้ามากเลยนะทุกข ศ, าศาัพท์จะเหมือนโรคที่กลุ่มรุมเบียดเบียนเล่นงานเต็มที่สมุทัยศัพท์จะเหมือนต้นเหตุที่ทําให้ป่วยไข้สมุดฐานของโรคเนี่ยนะเชื้อโรคที่มันทําให้ป่วยไข้ไม่มีเลิกมีราเนี่ยนิโรสาศสัพทจะเหมือนกับความหายโรคความหายสนิทของโรคเลยมรคศาัพท์จะเหมือน เหมือนยาที่บริโภคเพื่อกําจัดดับเชื้อดับเชื้อโรคจะได้ไม่กลุ่มรุมความหายโรคจริงจักมีอย่างสมบูรณ์ม น, นีโรสัจจะเหมือนกับความหายจากโรคนะความดับโรคความสงบจากโรคอย่างแท้จริงท่านสังขารธรรมทุกขสัจจะเป็นเหมือนกับโรคจริงๆนะมณิพานคือธรรมชาติที่ออกจากโรคออกจากกองทุกขเหล่านั้นได้โดยประการทั้งปวง อันท่านิพพานไม่มีอยู่เนี่ยนะไม่มีผู้ใดสามารถออกจากกองทุกได้หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบพระนิพพานผู้ที่ปฏิบัติในข้อปฏิบัติคือเริ่มนับตั้งแต่บำเพ็ญบารมีอ่าบำเพ็ญบารมีตั้งความปรารถนาเพื่อให้มียานเรียกว่าโพธิยานสัมโพธิยานเมื่อมีสัมโพธิยานจะได้ตรัสรู้พระนิพพานรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุโพธิยานเนี่ยนะ แส่แล้วพระองค์ก็เอาคำสอนทั้งหมดเนี่ยมาบัญญัติบอกวิธีการปฏิบัติให้ตรัสรู้พระนิพพานในการตรัสรู้พระนิพพานอย่างไรก็ต้องตรัสรู้บทอันไม่ตายบทอันไม่ตายนั้นก็คือพระนิพพานคืออาจุติบทเนี่ยนะนิพพานอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอาจุติบทคือบทที่ไม่ตายไอ้การที่จะบรรลุบทอันไม่ตายเนี่ยข้อปฏิบัติ ด, ดำเนินเพื่อพระนิพพานคือ สิกขาสามสิกขาสามสิกขาสามที่ประชุมกันเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดพระนิพพานมีผู้เส้ะถามว่าเมื่อไร่ท่านจะสอนปฏิบัติสักทีางนเมื่อไรเนาะเออนะเมื่อไหร่ดียองก็พูดศีลสมาธิปัญญาพูดมักษสัตต์อยู่เนี่ยไม่เอาไปทําตามก็ไม่รู้จะว่ายังไง น น, นไม่ใช่เขียนหนังสือที่จะต้องไปจับมือเขียนแบบเด็กอนุบาลเนี่ยนะอันนี้ก็บอกวิธีว่าเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเขามีปัญญาเห็นอริยสัจแล้วไปจับจับมือให้บอกว่านี่ปัญญาเห็นอริยสัจมันเห็นอย่างนี้ต้องพอกร์้วําทำยังไงแต่ว่าสมัยใหม่เขานิยามคําว่าปฏิบัติคือ น, นั่งหลับตานนนิยามบอกถ้าคุณนั่งนิ่งๆิ่งคิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่อาจารย์บอกนั่นแหละเรียกว่า ปฏิบัติเดี๋ยวขามาจะบอกว่าคุณไปนั่งคิดอรยิยสัจอย่างเดียวเลยนะจะเริ่มเมื่อไหร่ดีนะ <c oughs> ไม่ยอมเอาตามนะ <c oughs> ที่เนี่ยนะเออเนี่ยเอามาคิดเลยนะนั่งนั่งนิ่งๆแล้วก็นึกนึกถึงใครก็ชาติพิทุกขาชาราพิทุกขามรณะพิทุกขาร้ธรรมะจับ ก, กับทุกเรื่องทุกอารมณ์เลยนะร้อาทิตย์กับทุกเรื่องกับทุกอารมณ์คุณจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้ขอให้มันคิดอย่างนี้เถอะแต่ถ้าอย่างงี้ไม่เรียกปฏิบัติก็ตามใจอนะั แต่ว่าข้อปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะหมายถึงศีล ส, สมาธิและปัญญาผู้ที่ปฏิบัติที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นอ่ะอย่างไรเสียก็เริ่มที่กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมต้องเป็นไปตามศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะข้อปฏิบัติเหล่านี้นี่แหละที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งถ้าการกระทำใดการนั่งใดยืนใดเดินใดนอนใดก็ตาม ถ้าไม่เป็นไปกับสิกขาสามบรรลุพระนิพพานไม่ได้เพราะจะนั่งให้หลังหลุดก็ตามเถอะนั่งให้กระดูกเคลื่อนก็ไม่เห็นอริยสัจพราะความเข้าใจในเรื่องอริยสัจ ต, ต้องดีเมื่อมีความรู้ความเข้าใจอริยสัจที่ดียืนเดินนั่งนอนเจริญได้ในอิริยาบทสเพื่อนะวิหารติวิหา ร, หารเนี่ยนะวิหารติในภาษาธรรมะแปลว่าอยู่ วิหารตินี่อยู่ด้วยอิริยาบท4แล้วก็อยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะให้ใจเป็นไปกับสมถะวิปัสนาเป็นไปกับคำสอนเนะไปปฏิบัติจนตรัสรู้อริยสัจทั้นคำพีเนติปรกรเนี่ยนะเป็นคำพีที่ชีแ้แนะแนวเพื่อให้คิดอริยสัจเนี่ยนะเป็นคำพีที่พูดอริยสัจมากที่สุดในบรรดาคำพีทั้งหลายเนี่ยนะเท่าที่เคยเรียนเรียนหนังสือมาเนี่ยนะ เนติปกรณ์เป็นคำพี์ที่พูดอริยสัจมากที่สุดมีหาระไหนบ้างไม่พูดอริยสัจนี่ไหมไม่มีแล้วบอกด้วยนะว่าอะไรเป็นสัจจะอะไรยิ่งข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะบอกอริยสัจที่มากยิ่งขึ้นชีช้ชาติว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคืออริยสัจเนี่ยนะแล้วผู้ที่เขาบรรลุธรรมก็บรรลุอริยสัจนั้นการศึกษาพระธรรมคาสอนถ้าเราถือเอาแนวเนติปกรณ์ถือเอาแนว ปฏิสัมพิธรมมักเป็นต้นก็คือการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้รู้ให้เห็นอริยสัจถ้าผู้ที่รู้เห็นอริยสัจอยู่แล้วก็ไม่รู้จะฟังทําไมใช่ไหมแต่ถ้าแต่เชื่อไหมผู้ที่เห็นอริยสัจจริงๆชอบฟังท่านบอกว่าพระอรหันต์จริงชอบฟังธรรมมากฟังธรรมไม่รู้จักเบื่อหน่ายโดยเฉพาะคําว่าฟังธรรมคือฟังอริยสัจจะทำนะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยฟังอริยสัจไม่เบื่อหน่าย แล้วคนที่คิดอริยสัจที่สุดนะคือพระพุทธเจ้าท่านคิดได้ยังไงมรุทคิดอริยสัจได้ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยววันเนี้ยวันที่สิบสองจะเริ่มเอามาพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านคิดอริยสัจเป็นคืนๆเลยแล้วไม่ใช่คิดครั้งเดียวนะคิดแล้วคิดเล่าคิดแล้วคิดอีกอย่างคิดบางทีเนี่ยคิดอริยสัจเจดวันทําได้ยังไงเนี้ยเนก็มาถ้ามีเวลาก็มาศึกษากันนะเริ่มว่าวันที่สิบสองไปจนบาง ช่วงเช้านีติปกรณ์ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน